ท่านประโยคาวจรทั้งหลายและบรรดาท่านพุทธศาสนาชนิกชนทั้งหลายวันนี้ก็จะขอพูดเรื่องอนนาปานิสติจมาฐานส่วนที่แล้วมานั้นได้พูดถึงด้านคณิกะสมาธิเาวจารสมาธิ <c oughs> สำหรับวันนี้จะได้พูดถึงอารมณ์ของฌานการเจริญนาปานุสติกรรมฐานอารมณ์เข้าสู่ความเป an, er ็นฌานความจริงก็เป็นเครื่องสังเกตไม่อยากเมื่อผ่านอุปจารสมาธิมาแล้วตอนนี้จิตจะมีความสุข มีความเยกเจน็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งฌานนี้แบง่งออกไปสี่อย่างคืออารมณ์ปณัทมไฌานปัทมมชฌานนี่มีองค์ห้าคือมีวิตกวิจารปิติสุขเอกะขะตาคำว่าวิตกก็ได้แก่รมนึกที่เราจะกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออก วิจารก็ได้แก่การรู้ว่าเวลานี้เราหายใจเข้าหรือว่าหายใจออกหายใจเข้ายาวหรือสั้นหายใจออกยาวหรือสั้นหรือว่าจะพูดกันทั้งในกรรมฐานสี่สิเราก็จะมีอารมณ์รู้ว่าเวลานี้ลมกระทบจมกูกกระทบหน้าอกกระทบศูนย์เหนือสันดี สำหรับลมให้ใจเขา้าถ้าสำหรับลมให้ใจออกก็จะกระทบศูนย์เหนือสันดอกระทบหน้าอกกระทบจมกูกหรือว่าริมคิ่ปากอย่างนี้แปลการของวิจาร์จำไมาให้ดีด้วยแล้วก็ปีติเตความเอิบอินใจตามที่กล่าวมาแล้ว มีความชุ่มชื่นมีความเบิกบานไม่มีความอิ่มไม่มีความเบื่อในการเจริญพระกรรมฐานสามารถจะรวบรวมกำลังสมาธิเมื่อไรก็ได้สุขก็ได้แก่ความสุขเยี่อวเยินที่หาความสุขเปรียบเทียบใดใดไม่ได้และมีความเอื้อิ่มใจมากเอกคาตามีอารมณ์เดียว หมายความว่าในขณนะนั้นจิตจะจับจเฉพาะอารมณ์ลมให้ใจเข้าออกอยู่ตามปกติจิตจะไม่รับอารมณ์ส่วนอืน่นอันนี้เป็นการของที่เราจะทราบได้ตามจริยาเพื่อการของปฐมฌานมีองค์ห้าแต่ถ้า ว, ว่าจะพูดถึงความรู้สึกขณะที่จิตก็เราเข้าถึงปฐมฌาน จิตจะจับลมหายใจเข้าออกลมหายใจจะเบามีความสุสดชื่นหูได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนจ่มใสแต่ถ้าว่าไม่รำคาญในเสียงจะเป็นเสียงดังจะเป็นเสียงเบาเสียงเพลงเสียงทะเลาะ ก, กันเออะวายของที่เมาที่เล่าเมายาขอตาม เราไม่รำคาญในเสียงสามารถจะคุมอรมณ์ได้ตามปกติอย่างนี้เรียกขึ้นว่าปฐมฌานเน่นโดยเยพาะอย่างยิ่งกำลังจิตสำหรับโฟฝึกที่จะเข้าปฐมฌานนั้นก็มีความสำคัญอยู่จุดหนึ่งคือขณะที่จิตก้าวเข้าไปสู่ปฐมฌานเบื้องแรกกำลังของจิตยังไม่มั่นคง ตอนนี้เวลาที่เราจับลมให้ใจเข้าออกจะมีรมสงัดจะมีสภาพนิ่งคล้ายๆอาการเคลิมบางที่เราคิดว่าเราหลับแต่ความจริงไม่หลับถ้าหลับมันจะงอกหน้างอกหลังแต่อาการเช่นนั้นที่เกิดขึ้นกับเรามีอาการเฉยๆตัวตั้งตรง แต่วมีอาการเคริ้มลืมตัวเหมือนหลับแค่ครู่เดียวหรือว่าเดียวเดียวจะมีอาการหวิวคล้ายตกจากที่สูงและเราก็ไม่สามารถจะนำอารมณ์นั้นขึ้นมาใช้ในอีกเพียงแค่รักษาอารมณ์สบายอาการอย่างนี้ขอท่านหลายเพื่ทราบว่านั่นสมาธิจิตของท่านขณะที่มีอารมณ์สบายเงียบสงด มีอาการคล้ายเครื่องเหมือนหลับเป็นอาการจิตอยากพละอารมณ์อยากของปฐมฌานเป็นการก้าวขึ้นสู่ปฐมฌานแบบห ย, ยากๆแต่ถ้าว่าจิตไม่สามารถจะทรงฌานอยู่ได้จิตรจัจากฌานม่จึงมีอาการบิวร้วคล้ายกับตกจากที่สูง ถ้ามีอาการอย่างนี้เคยดขึ้นก็จงอย่าสนใจอย่าสนใจมันจะเป็นยังไงก็ช่างเราก็รักษารมปกติไว้ได้เท่าไรพอใจเท่านั้นมาเข้าถึงตอนทุติยชฌานคือฌานที่สองฌานที่สองนี่มีองค์สามคือตัดมีตกพีจาร์ชิ้นได้เรือปีติสุขเอกคตาย ในตอนนี้จะรู้สึกว่าจิตเข้าไปจับลมหายใจเข้าใจออกจะวางไว้คือจิตจะไม่สนใจลมหายใจจะเบาลงมีแต่วความสดชื่นหัรษามีความเนื่อสนิทถ้าหากว่าเราจะสังเกตง่ายๆนั่นก็คือถ้าเราภาวนาไปด้วยสมมติว่าเรากําหนดรู้ม ล, ลมหายใจเข้าออก เวลาให้ใจเข้าเราเนื้อว่าพุทธเวลาให้ใจออกเนื้อเบาโทอันนี้จะสังเกตง่ายในขณะที่เข้าชาญที่สองเมื่อกนณาจิตเข้าถึงชาติที้สองคำภาวนาจะหายไปจิตจะตั้งอารมณ์สงบมีความเออบิ่มมีอารมณ์สบายมีอารมณ์ละเอียดจตสงัดมีอารมณ์สงัดมาก แต่พอจิตเคลื่อนจากชานสองลมสูขอุปจารสมาธิจะมีความรู้สึกว่าโอนหนอที่เราลืมไปซะแล้วหรือมรืว่าเราเผลอไปแล้วที่เราไม่ได้ภาวนานเลยการกำหนดรู้จับลมให้ใจเขาออกเราก็ไม่ได้ทำตายจริงที่เราเผลอไป แต่ความจริงนั้นไม่ใช่าการของความเผลอแต่าการของจิตที่ทรงสมาธิสูงขึ้นขอท่านนั่นหลายพึเข้าใจตามนี้สำหรับอาการของฌานดีสามนั้นไมโอสองคือเรือเดือกักเอกาคตาตัดปีติหายไปอาการของฌานดีสองนี่ที่เราจะสังเกตได้ง่าย ความชุ่มชื่นสดชื่นหายไปของจิตจิตมีความสุขแล้วก็มีจิตทรงตัวมากในลมที่ตั้งไว้ดีกว่าชานที่สองด้วทางร่างกายจะสังเกตว่าเมื่อกาครคล้ายๆกับนั่งและยืนตรงตึงแม้ไรมาผูกเข้าไว้สำหรับลมให้ใจจะรู้สึกความเบาลงไปมากเกือบไม่มีความรู้สึก โอ้ได้ยินเสียงภายนอกเบาๆที่แม้ว เ, เสียงนั้นจะดังแต่กเสียงเราได้ยินเบามากอย่างนี้เป็นอาการของฌานที่สามเมื่อเข้าถึงฌานที่สี่จะมีความรู้สึกว่าเราไม่ได้หายใจแต่ถ้าว่ากำลังใจไม่หมดมีความสว่างโปรงทร ง, ทรงอารมณ์อยู่ตามปกติ มีอารมณ์เด็ดเดียวตั้งมั่นเี่มีความมั่นคงมากไม่รู้การสัมผัสจากภายนอกยุงใจกินลิ้นอยกกัดเสียงจะมาจากไหนไม่รู้หมดปรากฏว่ามีจิตนิ่งเฉยๆสำหรับชาลสีนี้มีองค์สองคือมีเอกซกับข้าตาโกเมขาเอกซกข้าตาหมายความวาทรสงอารมณ์เป็นหนึ่ง อารมณ์ไม่เคลื่นอุเบขาหมายถึงว่าเฉยไม่รับสัมผัสอารมณ์ใดๆทั้งหมดที่พูดมา น, นี้เพื่อประสงค์ทายทัาหลายทราบว่ า, ากายของฌานมันเกิดขึ้นจะมีความรู้สึกเป็นยังไงแต่ว่าเนื้อแท้จริงๆนักปฏิบัติถ้าจะปฏิบัติกันให้ดีแล้วก็ จงอย่าสนใจว่าเวลานี้มันจะได้ฌานอะไรจะเข้าถึงฌานหรือจะเป็นเป็นสะคริกสระสมาธิอุปจารสมาธิจะเป็นฌานที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ก็ช่างไม่สนใจนี่เราพูดกันว่าในแง่ของการปฏิบัติที่เอาดีกัน ถือว่าวันนี้ได้ดีเพียงใดพอใจเท่านั้นเราทําตามอารมณ์สบายของเรามันได้แค่ไหนพอใจแค่นั้นมบวานนี้ดีกว่าวันนี้วันนี้เลวกวับบวา น, นี้หน่อยก็ช่างคิดว่าเราเป็นผู้สะสมความดีเพื่อทรงอารมณ์จิตให้อยู่ในได้ของสมาธิตามความพอใจที่เราต้องการเท่านี้พอ ถ้าจิตตั้งอยู่อย่างนี้อารมณ์จะเป็นสุขไม่มีอาการริ่นรนจงอย่าสนใจกับภาพที่เห็นจงอย่าสนใจกับอารมณ์ของจิตว่าเมื่อวันก่อนนี่มันเลวกว่าวันนี้และวันนี้ดีกว่าวันก่อนถ้าไปนสนใจอย่างนั้นจิตจะไม่ทรงตัวจะหาอารมณ์ที่แนบสนิทไม่ได้ ฉะนั้นขอท่านหลายเพื่ตั้งใจไว้โดยเฉพาะเพื่อุณของความดีนั่นก็คือเวลาที่จเจริญสมาธิจิตในด้านอนาปานุสติข็อตา ม, ก, มาาก็มาถานก่ออื่นใดข็อตามจงทราบว่าเวลานี้จะตกอยู่ในสภาพของฌานอะไรขช็ชตาง เมือ่อเไปตั้งหน้าตั้งตาว่าเราต้องการได้ชาแนนั้นเราต้องการทรงชาแนี้มันจะเกิดอารมณ์กลุ่มถ้าอารมณ์กลุ่มเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ตัดความดีทั้งหมดผลที่สุดวันนั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยเป็นอันว่าขนาดใดที่ทําไปขณะนั้นเรามีความพอใจ ได้แค่คณิกะสมาธิคือสมาธิเล็กน้อยเราก็พอใจได้ถึงวิจาระสมาธิเราก็พอใจจิตจกโดยท่านชานั้นใดชั้นหนึ่งเราก็พอใจพอใจเสียทั้งหมดถ้าทําจิตอย่างนี้อารมณ์จิตจะสบายก็ได้แก่การฝึกจิตเข้าถึงอเบคคาร์ลมนั่นเอง เมื่อการฝึกจิตแบบนี้แล้วต่อไปจิตจะเป็นเอกคตารมเนโอเบคาคือจิตจะทรงชาดสีได้ชาสีได้ง่ายตอนนี้ปาก็ขอพูดกันทั้งหลักแห่งการปฏิบัติการปฏิบัติที่จะให้ผลกันจริงๆผมเคยพูดมาแล้วในตอนก่อน ว่าจงใช้เวลาจุกจิกจุกจิ ก, จกของเราคือเครื่องการกระทำสมาธิอย่างที่พูดมาวันวันนี้ว่าเวลาทำการทำงานคนดีใช้งานเป็นสมาธิเดินไปวินับาสเดินไปธุระจะทำอะไรก็ตามอย่าทิ้งลมหายใจเข้าออกพยายามที่งะลึกลมหายใจเข้า ใ, ใจออกไวเสมอ แต่ว่าถ้างานนั้นไม่เหมาะสมกับการใช้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเราก็ใช้จิตจับอยู่ที่งานว่าเวลานี้เราทำอะไรเราดายาหรืแเราก็ใจจับไว้เฉพาะเวลาที่เราได้ยามือเราถือจอบจอบกับฟันดินในเราถากยาจะถากตรงไหนตั้งใจไว้โดยเฉพาะ อย่างนี้ก็เป็นการฝึกอารมณ์ของสมาธิไปในตัวเราจะทาสีเราจะตอตะปูเราจะเลื่อยไม้เราจะโบกปูนเราจะทําอะไรทุกอย่างตั้มตั้งใจทําในกิจนั้นโดยเฉพาะเอาจิตจับไว้โดยเฉพาะในเรื่องนั้นอย่างนี้เป็นการส่งสมาธิทําสมาธิให้ส่งตัวไปในตัวเป็นการฝึกใ้งาน สำหรับวันนี้ยังไม่พูดทางด้านวิปัศนายานก็จะพูดในวงแคบๆของสมาธิเท่านั้นมีวิธีหนึ่งที่เคยฝึกกันมาผมก็ดีเพื่อนของผมก็ดีหลายๆท่านก็ดีเราใช้วิธีฝึกต่อสู้กันแบบนี้ หนึ่งซ้อมการต่อสู้กับความเหนื่อยเราเหนื่อยมากก็ดีเราร้อนมาก็ดีเดินทางไกลามาเ น, น, นื่อยๆแม้กระนั้นร้อนจากสมัยโน้นมันไม่มีรถไม่มีเรือมันหายากจะไปมาติกาบาสะกุลจะไปไหนกันทีก็ใช้การเดนินเดินมาร้อนๆๆเท่าก็เหนื่อยจัด พอมาถึงที่เรื่องผ้าออกถ้ามันร้อนไม่เป็นไรเข้าห้องในขณะเดียวกันนั่นเองเราเข้ออยู่ในห้องข้าเราโดยเฉพาะไม่ยอมให้เหงื่อแห้งไม่ยอมคลายความเหอยนั่งปรับหรือว่านอนลงจิตจับสมาธิทันทีจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกว่าจิตม่ยจะทรงตัวไหม ถ้าจิตยังไม่ทรงตัวดีเพียงไดเราจะไม่เลิกแต่ว่าการอย่างนี้ท่านทั้งหลายมันเป็นการระงับความเหนื่อยขึ้นดับความร้อนดับความเหนื่อยไปในตัวเมื่อจิตเข้าที่สมาธิเล็กน้อยคือการกิดสมาธิความเหนื่อยมันก็คลาย พอจิตเข้าถึงอุปจารสมาธิมีปีติเป็นอารมณ์ตอนนี้เองมันจะหายหน่วยทันทีความร้อนความคลุ่มมันจะหายไปเนื่อความเหนื่อยจากทางร่างกายมันก็จะไม่มีต้องพยายามต่อสู้อย่างนี้นะครับการสำเร็จมักผลและได้ฌานสมาบัติไม่ใช่ได้มาจากป่า ส่วนใหญ่จริงๆเขาได้ในที่โมนชนมากๆเพื่อการเจริญสมาธิจากป่าในแดนสงัดที่ว่าได้ผลดีแล้วไม่จริงถ้าหากว่าจิตยังไม่ถึงความเป็นพระอริยเจ้าเพีงใดถ้ากลับเข้ามาหาโมูชนเมื่อไหรเมื่อนั้นไม่เกิดการกลุ่มทันทีต้องมาฝึกกันใหม่ แต่ว่าจะถามว่าทราบเรื่องนี้ได้ยังไงกรับผมก็ขอตอบว่าผมชนกับมันมาแล้วทุกอย่างการอยู่ในป่าชา้าการอยู่ในป่าชาัดการอยู่ในถ้ำผมทํา ม, มาแล้วทุกอย่างแต่ผลจริงๆที่ได้ทรงตัวก็คือต้องเข้ามาต่อสู้กับกลุมคนนั่นเราอยู่คนเดียวมีการสงบสงัดไม่มีอะไรรบโควนใจ เราจะทรงรมอย่างไรก็ได้เหมือนเราปักไม้ไว้ในที่สงดลมไม่พัดน้าไม่ไหลไม่มีใครไปจับให้เยาวไม้มันก็มีอาการทรงตัวปักแน่นหรือไม่แน่นมันก็ทรงตัวอยู่ได้ถ้าไปปักที่น้ำไหลเชี่ยวลมพัดแรงมีคนก็เหยาวถ้ามันไม่แน่นจริงๆมันก็ทรงตัวไม่ไหว ข้อนี้มีประมาณชั้นหลายจิตของเราก็เหมือนกันที่จะได้ดีกันจริงๆก็ต้องต่อสู้กอารมณ์ที่เข้ามาขัดขวางแล้อการอาการที่ต่อสู้กับความเหนืห่อยและความร้อนหนีผมเคยทําแบบนี้นะเคยทําแบบนี้บางทีพุ้นทํางานเหนื่อยๆนี่ไม่ดีกําลังเหนื่อยหอบแทบแทบนั่นแหละ ผมหยุดพับนั่งเพียงสลังเพียงฝาปรับจับอารมณ์สมาธิจับเมื่อไรมันทรงตัวเมื่อนัน้นอารมณ์สบายทันทีนี่ฝึกที่ต้องฝึกแบบนี้เวลาทํางานหนื่อยๆแต่ว่าเวลาทีาท่จะนั่งทําแบบนั้นระวังนะย้ายใครเขาเห็นการนั่งสมาธิให้คนเห็นพระพุทธเจ้าททรงปรับว่าเป็นอุปาคิเลส มันจะมีการโอ้การอดอยู่ในตัวเสร็จใช้ไม่ได้ได้รับนั่งใช้ใช้ส บ, สบายๆใครวา่าอย่างไรก็ช่างก็เดี๋ยวหนึ่งเราก็ลุกไปทำงานของเราใหม่ในประการที่สองต้องพยายามต่อสู้กับเสียงเวลานี้สะดวก ในการต่อสู้กับเสียงนี้อย่าใช้เสียงมันดังนักชาบ้านเขจะนำคาญวิธีต่อสู้กับเสียงก็คือขณะที่เราพบกับเสียงที่เราไม่พอใจเขาคุยัเอะอะโ่ R v y, วยวายเราย่องเข้าไปกใกล้ถ้ามันไม่มีที่รับเราก็เข้าไปกใกล้ทำตามมองมือดูอะไรซะก็ช่าง อาจิตจับลมให้ใจเข้าให้ใจออกรูสนดุที่ว่ามันํำคาญในเสียงไหมถ้าทำอย่างนั้นไม่สะดวกเวลานี้วิทยุของเรามีบันทึกเสียงเขาเรามีเวลาเราจะทำเปิดเบาๆนะอย่าไปให้คนข้างๆเขาดำคาญเปิดวิทยุฟังเบาๆมันจะเป็นเพลงละครอะไรก็ตาม ขณะเดียวกันนั้นเราก็ใช้อารมณ์กำหนดอาณาปานุสติกรรมฐานหรือภาวนาไปด้วยกันได้หูได้ยินเสียงเพลงเสียงพูดในวิทยุชัดแต่ว่าถ้าจิตของเราไม่รำคาญในเสียงนั้นอย่างนี้ใช้ได้ เลื่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าทำไปทาไปจอท่านจิตหูไม่ได้ยินเสียงเลยยิ่งดีใหญ่นั่นเป็นอาการของฌานสี่เท่าที่ฝึกกันมาเขเคยฝึกอันดับแรกใช้แผ่นเสียงชุดหนึ่งให้เด็กเล่นเมื่อเด็กเลน่นเด็กก็เออะโวยวายไปตามเรื่องแล้วก็ใช้เสียงมันก็เปิดเสียงเพลงด้วย สมัยก่อนก็ใช้วิทยขยายเสียงแผ่นเสียงแบบไขาลานต่อมาผ่านเสียงเดียวหรือสายเดียวเราสู้ได้ก็ไปซือ้อใหม่เครื่องหนึ่งเพลงไม่เหมือนกันให้เด็กกี่โผล่หกหนึ่งเล่นมันก็ทิ้งกันมาทิ้งอันไปฝ่ายนี้เปิดเพลงอย่างนั้นฝ่ายนั้นเปิดเพลงอย่างน้นเรานอนกลาง นอนจับลมให้ใจเขาออกภาวนาไปจนไม่รําคาญในเสียงในสุดเสียงนังดังบรรลางแว่วน้อยลงมาที ท, ท, ทีจนกรทั่งถึงระดับไม่ได้ยินเสียงเลยไม่ใช้ได้ต้องต่อสู้แบบนี้เสมอๆจนกระทั่งเมีอารม์ชินอารมณ์ชินขึ้นมาเสียงแต่ยินเสียงที่เราไม่พอใจเมื่อไรหรึอว่าเราพอใจเมื่อไรเขาตาม เราจะเข้าสมาธิได้ทันทีทันใดนีว่าการที่การฝึกจิตให้คล่องในการเข้าสมาธิถ้าทำได้อย่างนี้อารมณ์จิตจะส่งตัวให้ายามทำจงอย่าคิดว่าทำไม่ได้ไม่มีใครก็ทำได้ไมาตั้งแต่เกิดทุกคนต้องมาฝึกกันไหมกัน ยศตันพระอาหารหันต์ทุกองคท์ที่ทร้างเป็นพระอาหารหันต์ท่านก็ฝึกกันมาแบบนี้ค่อยทําค่อยไปทีละน้อยดันน้อย น, น้อยทีย่สุดมันก็เข้าถึงจุดจบถ้าเราไม่ละความพยายามแล้ตอนนี้พูดเฉพาะอานาปานุสติกรรมฐ า, านดีไม่ดีเดี๋ยวว่นเผลอเอาอะไรมาพูดปิ้งกมันจะยุ่งกันใหญ่ นี่ต่อมาอีกเราก็พยายามฝึกระงับอารมณ์ที่เข้ามากระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออนิจธารมณ์คำว่าอนิจธารมณ์ก็ได้แต่อารมณ์ที่เราไม่ชอบใจอารมณ์ใดก็ตามที่มีเกิดขึ้นกับเราเป็นอารมณ์ที่เราไม่ชอบใจเกิดขึ้น ตอนนี้เราต้องพยายามระงับดั่งกำลังของสมาธิคิดว่าใครว่าอย่างไรก็ช่างเขาเขาจะนินทาอย่างไรก็ช่างเขามันเป็นปากของเขาแล้วก็มันก็เป็นหน้าที่ของเขาที่เขาจะชมก็ได้เขาจะด่าก็ได้มันเป็นเรื่องของเขา เวลาที่รับคำด่าหรือคำชมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำดา่าเราจะเพิ่งไปโกรธใช้จิตพิจารณาซื้อก่อนว่าให้เรื่องที่เขาด่ามันจริงหรือไม่จริงถ้าเป็นอาการที่ไม่ตรงตามความจริงเราก็ยิ้มได้ว่าท่านพูดด่านี่ไม่เห็นจะมีกาการน่าเร่อมใสตรงไหนดา่าทรงเดชโดยไรเหตุไรผล ไม่เหมาะกับฐานะที่เกิดมาเป็นคนพบพระพุทธศาสนาจะจงยากรอดจงยิ้มเยงว่าเราดีกว่าเขาเยอะแล้ต่อจากนั้นไปก็แช่รมใจเอาสมใหม่ถ้าพบอารมณ์ที่เขาทำให้เราไม่พอใจเราก็แช่รมจับอารมณ์ลมให้ใจเขาออกให้จิตเราทรงตัว เจนดก า, จาก็ช่างเจ้าวาดก็ช่างนิ้นท้ายก็ช่างช่างเขาเรารักษาโารมณ์ของเราให้มีความสุขใช่ได้ที่ว่าโารมความสุขเป็นปัจจัยเข้าถึงสิง่งผนิพันธ์โดยง่ายอันนี้เป็นอารมณ์แบบสบายๆที่เราสามารถจะส่งตัวหักสะทุจระงับการอารมณ์ที่มากระทบที่เราไม่พอใจ ที่หลังก็มาพยายามหาทางระงรับความอยากด้วยกําลังของฌานความจริงกําลังของฌานนี่มันจะระงรับกิเลสในทุกอย่างโลภะความโลภะละคะความรัะโทสะความโกรธโมหะความหลงมันระงรับได้ทุกอย่างแต่เมือม่อร่มหนักเมื่ออารมณ์จิตคู่นั้นมีการทรงตัวจริงๆ อารมณ์แห่งความสุขมันจะยืนตัวกับจิตของเรามันจะไม่หวั่นไหวในเมื่อเห็นคนหรือวัตถุที่มีความสวยสดงดงามจะไม่เกิดอาการทะเยอทะยานจากอาการที่ได้ลาบเสกการะจะไม่มีความหวั่นไหวในกำลังจิตในขั้นะที่มีบุคคลเขายั่วให้โกรธ อาการอย่างนี้มันจะไม่มีในจิตของเราแล้วสิ่งที่เราจยึดมันถือมันเป็นร่างกายเป็นเราเป็นของเรามันก็ไม่มีความจริงกําลังสมาธินี่สามารถจะกดกิเลสทุกตัวให้มันจมลงไปได้แต่อย่าลืมว่ากิเลสมันไม่ตายก็มันถูกฝังไว้เท่านั้นถ้ามันลบเหลือมันเลยมันก็โผล่มาได้งานเราเมื่อนั้น สำหรับคนที่ทรงจิตถึงชั้นสี่หรือทรงอารมณ์สมาธิถึงชั้นใดชั้นหนึ่งจะมาทั้งมีอารมณ์ชินมักจะมีการเผลอคิดว่าเราเป็นพระอาหารหันต์อย่างนี้ผมเองก็พบมาแม้แต่ตัวผมเองก็เหมือนกันตัวผมเองนี่ในการบางครั้งในตอนที่กําลังฝึกผมคิดว่าเอ๊ะนี่เราเป็นพระอาหารหันต์ใช่แล้วเนีย่ย มันไม่พอใจอะไรทั้งหมดรักมันก็ไม่เอาไหนโรคมันก็ไม่เอาไหนโกรธมันก็ไม่เอาไหนหลงอะไรมันก็ไม่มีแต่ถ้าว่าทำมาทําไปอรารมณ์นานๆเข้ากําลังใจตกโลงให้เจ้าตัวรักมันก็เริ่มโผล่นิดๆเจ้าตัวโลคเจ้าตัวโกรธเจ้าตัวหลงมันก็มาหน่อยๆ ตอนนี้จึงรู้ตัวโอนหรอนี่เราพลาดไปเส็ยแล้วที่คิดว่าตัวเป็นอาหารหันต์เป็นแค่กําลังชาโลกีเท่านั้นแต่ความจริงแม้เราเป็นชาโลกีแต่สามารถจะระงับอาการเช่นนี้ได้ก็ควรจะพอใจเพราะว่าจกินเหล็ดสามารถจะกดมันให้จมลงไปได้ไม่ช้าเราก็สามารถจะห้ามหันให้มันให้พีนาศได้เดียเ๋ยวหน้าเขาพิจารณายาน แลาวันดาท่านงหลายมองดูเวลาให้มาหมดสแล้วสำหรับปันนี้ก็ข อ, อยุติเพืเธียงเท่า น, นี้